ิททานไยเจ้าชายดาริงกาละครั้งหนึ่งนานมาแลยังมีราชาพระองค์หนึ่งออกมาล่าสัตว์เมื่อมีกระต่ายตัวน้อยกำลังวิ่งหนีสุนัขของเขาม า, า, ามันกระโจนไปที่แขนของเขาเพื่อหาที่กาบังไงนมน้อยไม่ต้องกลัวนะไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้เขานำมันกลับมายัางพระราชวางังพร้อมสั่งให้คนใช้ดูแลมันอย่างดีข้าคือนางฟ้าแห่งสัจธรรม และนั่นคือค่าเองกระต่ายที่กระโดดมาบนอ้อมแขนของเจ้าเพื่อทดสอบว่าเจ้าเป็นคนใจดีและมีเมตตาแน่นอนว่าเจ้าน่ยเป็นขออะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการมาสิข้าสัญญาว่าข้าจะมอบมันให้แก่เจ้าราชาดีใจมากท่านหญิงเมื่อถึงเวลานั้นถ้าท่านช่วยทําให้ลูกชายที่จะเกิดของข้าเป็นเจ้าชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดข้าจะขอบคุณเป็นอย่างมากข้าอยากให้เขาเป็นคนดีใจใจดี และเป็นราชาที่เมตตาอ๋อราชาที่ดีข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลลูกชายเจ้าให้และถ้าหากว่าเขาทําเรื่องที่ผิดจงลงโทษเขาเพื่อเขาจะได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและกลายเป็นราชาที่ดีเช่นเจ้าราชาค่อนข้างประทับใจกับคําสัญญาของนางสมแหวนนี้ให้ลูกชายท่านข้าจะคอยดูแลและนําทางเขาเอง <c oughs> เจ้าชายน้อยช่าง น, น่ารักน่าเอ็นดู ใครเห็นต่างก็รักเขาดังนั้นเขาจึงได้ชื่อว่าเจ้าชายดาร์ลิงเจ้าชายได้เติบโตกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามวันหนึ่งในขณะที่เขาเนื่องอยู่ข้างๆรูปปั้นของพ่อเขาพี่ชายบุญทําของเขาชาวล์ได้เดินเข้ามามาทําอะไรตรงนี้เจ้าชายดาร์ลิง่งไม่รู้เหรอว่าพวกเขากําลังจะออกล่า ก, กันข้ารู้ท่านพี่ข้าก็แค่ คิดถึงท่านพ่อมากนะเจ้าชายดาริงเชาส์และญาติของเขารอนออกเดินทางไปล่าสัตว์ในป่าในขณะที่กำลังควบมา้าเจ้าชายดาริงสังเกตเห็นเด็กสาวคนหนึ่งเขาชะลอความเร็วในขณะที่พี่ๆของเขาควบม้าออกไปเขาหันไปหาเด็กสาวและค่อยๆวิ่งไปทางเธอเด็กสาวงวดงามเป็นอย่างมากนั้นทำให้เจ้าชายตกลุ่มรักเธอตั้งแต่แรกพบเขาตัดสินใจทันทีว่าจะแต่งงานกับเธอ เชื้อของเธอคือซิเลียเธอมีจิตใจที่งดงามเช่นเดียวกับความงามของเธอเช่นกันข้าไม่เคยพบใครที่งดงามเท่าเจ้ามาก่อนเลยข้าอยากแต่งงานกับเจ้าข้าคิดว่าเจ้าจะต้องมีความสุขมากแน่ถ้าได้เป็นราชินีที่ยิ่งใหญ่ของข้าเมื่อเห็นความหยิ่งเยโสของเจ้าชายซิเลียพูดขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวสาบาดถ้าข้าจะเป็นเพียงสาวเลี้ยงแกะและยังยากจนอีกแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็จะไม่แต่งงานกับท่านหรอก เจ้าไม่ชอบข้างั้นเหรอไม่ใช่นะฝ่าบาทท่านช่างเป็นชายหนุ่มที่รูปงามและยังเป็นเจ้าชายอีกด้วยแต่มันคงจะไม่ดีกับข้าแน่ถ้าต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชายที่หญิงยโสเจ้าชายโกรธมากกับคำพูดเช่นนี้เมื่อทหารผ่านมาเพื่อตามหาเขาเขาสั่งให้ทหารจับตูซีเลียไปเพื่อเป็นนักโทษทันทีและพาเธอกลับมายังพระราชวังทันใดนั้นแหวนก็ได้ทิ่มแทงเขา เขาพยายามที่จะถอดแหวนออกแต่ก็ล้มเหลวในวันนั้นเมื่อชาวสเห็นเขานั่งเสริอมอยู่เขาถามดาริงว่าเกิดอะไรขึ้นดาริงเล่าทุกอย่างให้เขาฟังเรื่องที่เขารับไม่ได้ที่ซิเลียสแสดงความคิดเห็นต่อเขาและเขาอยากจะเป็นชายที่ดีเพื่อเอาชนะใจเธอพี่ชายของเขาพูดขึ้นข้อดีใจจริงๆที่ยอมให้เด็กสาวนั่นเป็นปัญหาของเจ้า ถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะทำให้นางเชื่อฟังให้ได้แล้วจำเอาไว้นะเจ้าไปถึงราชาแล้วมันช่างน้าขันที่เจ้าพยายามจะเอาเด็กเลี้ยงแกมาเป็นเมียของเจ้าจับเธอเข้าคุกและลงโทษเธอซะแต่มันจะน่าละอายนะท่านพี่เด็กสาวที่บริสุทธิ์จะต้องรับโทษอย่างนั้นเหรอสีเหลี่ยไม่ได้ทาอะไรที่สมควรได้รับโทษเลยหากผู้คนไม่ยอมทำตามที่เจ้าสั่ง วเขาสมควรได้รับโทษจำเอาไว้นะนางไม่ได้บริสุทธิ์นางเยาะเย้ยความรักที่เจ้ามอบให้นางนางตลกกับความรักของเจ้าเขาพูดออกมาเช่นนี้พรารู้ถึงจุดอ่อนของน้องชายของเขาเป็นอย่างดีเจ้าชายจึงรีบออกไปหาซีเลียด้วยความโกรธเมื่อเขามาถึงห้องที่ซีเลียถูกขังเขาต้องประหลาดใจยอย่างมากเมื่อพบว่าเธอไม่ได้อยู่ในนั้น ความโกรธของเขาพุ่งขึ้นขีดสุดเขาสัญญาว่าจะแก้แค้นให้ใครก็ตามที่ช่วยให้นางหนีไปซิเลียทันใดนั้นแวนได้ทิ่มแทงเขาอีกครั้งเจ้าชายร้องออกมาเสียงดังอ้าข้าจะเอาแหวนบ้านนี้ออกได้ยังไงเอาเรื่องแหวนเจ้าไว้ทีหลังตอนนี้เรามีเรื่องใหญ่กว่านั้นที่ต้องสนใจ ชาส์เลอรอนบอกเจ้าชายว่าซุนแมนอาจารย์คนเก่าของเขาเป็นคนช่วยให้ซีเลียหนีไปพวกเขาติดสินบนทหารเพื่อให้ทหารบอกว่าซุนแมนบอกเรื่องนี้กับเขาเจ้าชายยิ่งโมโหขึ้นไปอีกเขาสั่งให้ชาส์นำทหารไปจับตัวซุนแมนมาจนกว่าเขาจะถูกล่ามโซ่เป็นนักโทษหลังจากออกคำสั่งเสร็จเขาก็กลับไปที่ห้องของเขา แต่เขาแทบจะยังไม่ได้พักมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนนางฟ้าสัจธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาข้าเคยให้สัญญากับพ่อของเจ้าไว้ว่าจะคอยดูแลเจ้าและเมื่อเจ้าชั่วร้ายเจ้าจะต้องถูกลงโทษพ่อของเจ้าเป็นชายที่ดีแต่เจ้าเจ้ากำลังเดินไปห้นเทาาที่ชั่วร้ายถึงเวลาที่ข้าจะทาตามคาสัญญาของข้าแล้วเวลาที่เจ้าต้องโดนลงโทษ ถ้าขอตัดสินโทษเจ้าเจ้าจะกลายเป็นสัตว์เช่นเดียวกับที่เจ้าทำนิสัยเหมือนพวกมันสิงโตสำหรับความโกรธของเจ้าหมาป่าสำหรับความละโมบของเจ้างูสำหรับที่เจ้าอักตัญยูกับคนที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อคนที่สองของเจ้าความเลวทรามต่ำช้าทั้งหมดของเจ้าก็คือกระทิงนี่คือตัวต้นใหม่ของเจ้าในร่างของสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ เมื่อนางฟ้าแห่งสัจธรรมพูดจบเจ้าชายดาริ่งก็พบว่าคำพูดของเธอกลายเป็นจริงเขามีหัวเป็นสิงโตเขาของกระถิงเท้าของหมาป่าและลำตัวเป็นงูในขณะที่ตอนนี้เขาพบว่าตัวเองอยู่ในป่าใหญ่ข้างๆกับทะเลสาบใสๆซึ่งนั่นทำให้เขาเห็นสิ่งที่ตัวเองเป็นได้อย่างชัดเจนมีเสียงพูดกับเขาขึ้น ทิจารณะเอาเองก็แล้วกันว่าสิ่งชั่วร้ายที่เจ้าทำมันนำพามาให้เจ้าเสียงของนางฟ้ายังคงแว่วอยู่ในหูของเจ้าชายดาริงและสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาคิดได้ตอนนี้คือออกไปให้ไกลทะเลสาบมากที่สุด <S <s เพื่อที่เขาจะไม่ได้เห็นความอับปลักน่าเกลียดของตัวเองดังนั้นเขาจึงวิ่งตรงเข้าไปในป่าเขาพักอยู่ใต้ต้นไม้ รงขนาดใหญ่ได้ตกลงมาขังเขาไวนักล่าที่อยู่หลังต้นไม้ได้ออกมานักล่าแบกรงเข้าไปในเมืองเขาเห็นชาวเมืองบางส่วนกำลังเลี้ยงฉลองกันอย่างดีใจนักล่าเข้าไปถามพวกเขาและถามว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าชายชั่วตายแล้วพี่บุญธรรมของเขาและลูกพี่ลูกน้องของเขากำลังยึดครองอาณาจักรและแย่งชิงออกเป็นสองฝ่ายแต่พวกเขาถูกขับไล่ให้ออกจากอาณาจักรโดยชาวเมืองแล้วชายคนนั้นยังเล่าต่อว่าชายเมืองได้ตัดสินใจมอบมองกุฎให้สุนแมนผู้ที่เคยถูกเจ้าชายจับขังเอาไว้เขาเป็นคนดีจริงๆและพวกเขาจะได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเรากําลังมีความสุขเจ้าชายดาร์ลิงคํารางออกมาด้วยความโกรธเมื่อได้ยินเช่นนี้ แต่มันยังคงเลวร้ายเข้าไปอีกเมื่อเขาถูกพามายัางใจกลางเมืองของเขาเขาเห็นสุนแมนนั่งอยู่บนบันลังที่สง่างามและฟูงชนก็ออกมาสรรเสริญเขาอย่างมากมายเพื่อขอให้เขามีชีวิตที่ยืนนานและทําลายความชั่วร้ายของราชาองค์ก่อนข้าขอรับมงกุฎที่พวกท่านเสนอให้ไว้แต่ข้าจะเก็บมันไว้แก่เจ้าชายดาร์ลิงเขายังไม่ตายอย่างที่พวกท่านคิดนางฟ้ายืนยันว่าพวกเรายังมีหวังที่จะได้เจอเขา ที่ดีขึ้นและมีคุณธรรมขึ้นอีกครั้งที่เขาต้องไปก็เพราะมีคนคอยเป่าหูเขาข้ารู้ถ้าเขาไม่ได้รับอิทธิพลที่ไม่ดีจากคนรอบกายเขาเขาจะเป็นราชาที่ดีมากเช่เช่นเดียวกับพ่อของเขาข้ายินดีที่จะยอมตายหากมันสามารถนำเจ้าชายกลับคืนบัลลังก์ของเขาได้อย่างถูกต้องอีกครั้งคําพูดนี้ึ่งกินใจเจ้าชายดาร์ลิงเป็นอย่างมาก เขาตระหนักถึงความรักและความซื่อสัตย์ที่แท้จริงที่อาจารย์ของเขามีต่อเขามันเป็นครั้งแรกที่เขาโทษการกระทำที่เลวร้ายของเขาในมิช้านักล่า ก, ก็พาเขาไปขังไว้ในกรงเก็บสัตว์ที่กว้างใหญ่ <c oughs> เขาเห็นสัตว์ป่าตัวอื่นๆรอบๆตัวเขาวันหนึ่งในขณะที่ผู้ดูแลนอนหลับเซอร์ครองได้ผ่ารูปจนขาดและออกมาเพื่อจับเขาเจ้าชายดาริงเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาได้แต่หวังว่าจะออกไปได้ เขาต้องช่วยชีวิตผู้ดูแลนั่นเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมร ก, กงของเขาถูกเปิดออกเขาเรีบไปที่ด้านหน้าของผู้ดูแลและเสือกลัวเขาและหนีไปเขาหมอบอยู่ที่เท้าของคนที่ช่วยเขาไว้ผู้ดูแลก้มลงรูปสัตว์ประหลาดด้วยความขอบคุณอย่างมากนั่นทำให้เขาได้รับการดูแลอย่างดีแต่ทันใดนั้นเสียงพูดก็ได้ดังขึ้นการทำความดีไม่มีวันถูกสูญเปล่า ในตอนนั้นเองสัตว์ประหลาดได้หายไปและผู้ดูแลเห็นเพียงสุนัขตัวเล็กๆที่น่ารักเท่านั้นเจ้าชายดาริงดีใจกับการเปลี่ยนแปลงมากเขาพยายามหาความสุขกับทุกๆอย่างที่เขาเป็นชายคนนั้นอุ้มเขาขึ้นมาและพาเขาไปหาราชินีพร้อมกับเล่าทุกอย่างให้กับเธอฟังข้ออยากด้วยสุนัขแสนวิเศษนี่จริงเลย วันหนึ่งขณะที่เขาได้รับอาหารเชา้าเขาอยากจะเอามันไปกินที่สวนดังนั้นก็จึงคาบมันไว้ในปากแล้ววิ่งออกไปจากวังไม่นานเขาก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีบ้านที่สร้างจากทองคําและอัญมณีที่มีค่ามากมายผู้คนในนั้นล้วนแต่งกายอย่างงดงามข้างในนั้นมีเสียงดนตรีที่ไพเราะดังออกมาจากหน้าต่างแต่สิ่งที่ดูแปลกมากๆ ก, ก็คือ ผู้คนที่ออกมาจากบ้านนั้นต่างซีดเซียวและเสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยราวกับผ้ากี่ริ้วเจ้าชายดาริ่งเข้าไปหาเด็กสาวตัวน้อยที่พยายามจะกินหญ้าเพราะเธอหิวมากในทำให้เจ้าชายเห็นใจเป็นอย่างมากเขาพูดขึ้นกับตัวเองข้าหิวมากเลยแต่ข้าคงไม่ถึงกับตายหรอกเดี๋ยวก็ได้กินมื้อเย็นแล้วถ้าข้ามอบอาหารเช้าให้นางบางทีข้าอาจช่วยชีวิตนางไว้ได้ ดังนั้นเขาจึงวางขนมปังไว้ในมือเขาเด็กสาวและเธอก็รีบกินมันอย่างรวดเร็วทัในใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องขึ้นเมื่อเขาหาันไปเขาพบซีเลียกำลังถูกลากเข้าไปในบ้านหลังใหญ่โอ้ข้ากำลังโกรธคนที่กำลังลากตัวซีเลียเข้าไปแต่มันก็เหมือนกับที่ข้าเคยทำข้าทำอะไรลงไปข้าไม่ได้จะโหดร้ายกับนางแบบนี้ใช่ไหม ทันใดนั้นเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงรบกวนบนหัวของเขามีบางคนเปิดหน้าต่างออกมาเธอคือหญิงชราที่ยื่นจานอาหารแสนอร่อยออกมาและปิดหน้าต่างลงจุดชายดาริงวิ่งตรงไปเพื่อจะกินอาหารแต่ว่าเด็กหญิงได้ร้องหยุดเขาและอุ้มเขาขึ้นมาแล้วพูดว่าอย่าแตะมันนะเจ้าหมาน้อยบ้านนั้นคือวังแห่งความสุขและทุกอย่างที่ออกมาจากที่นั่นก็คือยาพิษ ในขณะเดียวกันก็มีเสียงแววขึ้นเจ้าเห็นได้ยังว่าความดีมีผลตอบแทนเสมอเจ้าชายพบว่าตัวเองถูกเปลี่ยนเป็นนกพิราบสีขาวที่งดงามเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและตรงไปยังบ้านหลังนั้นแต่มันได้หายไปในพริบตาเจ้าชายสิ้นหวังมากเขามม่งมั่นที่จะบินไปทั่วโลกจนกว่าจะพบเธอเขาบินเป็นเวลาเจ็วันเจ็ดคืนจนกระทั่ง มาถึงทะเลทรายที่กว้างใหญ่เขาเห็นท่ำพร้อมกับดีใจเป็นอย่างมากเพราะซีเลียกําลังกินข้าวกับฤาษีเท่าในนั้นนั่นนางเจ้าชายดัลลิงบินไปเกาะที่ไหล่ของเธออย่างดีใจและพยายามสื่อให้เธอรู้ว่าเขาดีใจแค่ไหนที่เห็นเธออีกครั้งซีเลียเริ่มรู้สึกประหลาดกับอาการดีใจของนกพิราบสีขาวตัวนี้เธอลูบมันเบา ข้ายอมรับในสิ่งที่เจ้าทำให้ข้านะเจ้านกพิราบขาวข้าจะรักเจ้าตลอดไปรักษาคำพูดของเจ้าด้วยนะซีเลียเจ้าจะรักษาสัญญานั่นไหมข้าหวังเช่นกันนะคนเลี้ยงแกะที่น่ารักของข้าเจ้าสัญญาว่าจะรักข้าตลอดไปใช่ไหมเจ้าหมายความแบบนั้นจริงๆนะไม่งั้นข้าจะให้นางฟ้าเปลี่ยนข้าให้เป็นนกพิราบแล้วข้าจะมาหาเจ้าจนกว่าเจ้าจะพอใจ ไม่ต้องกลัวว่านางจะเปลี่ยนใจหรอกนะซิลิอรักเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่นางเห็นเจ้านางแค่ไม่บอกเจ้าเพราะเจ้าดื้อรั้นและหยิ่งยะโสตอนนี้เจ้านะ่ะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและเจ้าน่ะก็สมควรที่จะมีความสุขนะและนางก็จะรักเจ้ามากขึ้นไปอีกละ่ะเจ้าชายของคำนับต่อนางฟ้า ลุกขึ้นเถอะลูกค้าเขาจะพาเจ้าทั้งสองไปยังพระราชวังและเจ้าชายดาริ่งจะกลับไปค้องบันลังของเขานิสัยแย่ๆของเขาได้หายไปแล้วในขณะที่เธอพูดพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องโถงของซุนแมนเจ้าชายดีใจอย่างมากที่เห็นอาจารย์ของเขาอีกครั้งซุนแมนสละบันลังคืนแด่เจ้าชายอย่างมีความสุขและยังคงเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองอยู่เสมอ ซีเลียและเจ้าชายดาริงครองราชเป็นเวลากว่าหลายปีโดยที่เจ้าชายดาริงปกครองอาณาจักรและผู้คนของเขาอย่างมีเกียรติแหวนไม่เคยทิ่มแทงเขาอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาและมันก็หายไปในไม่ช้าเพราะการทำความดีนั้นไม่เคยสูญเปล่า